<c oughs> หลวงมีเข็มทิศทางเดียวกันเรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นดวงัยสบัดอยู่เบื้องหน้าของเราพระรัตนตรัยนี้มีคุณธรรมพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต้องสร้างศรัท ธ, ธาต่อรัตนสามอย่างนี้ให้มั่นคงอย่าหลายจิตหลายใจอย่าเอ็นเดียงคนของพระรัตน์ไตนั้นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนคนอื่นให้รู้ตามนี่จึงเป็นพระพุทธเจ้า พระธรรมคือคำาอคือคสั่งสอนของพระองค์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำปัดการย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรู้คนเห็นตามสมควรเจ้ผู้ปฏิบัติพระสงค์ก็คือหมู่ชนผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติชอบตามประธรรมวินยัย ลงเป็นเวทหมู่เป็นคณะสอนคนอื่นให้รู้ตามเรียกว่าหมู่สงก็มีศรัทธาแล้วก็จนมั่นใจได้มาบวดชาวบ้านก็สร้างวัดสร้างว่าทำบทุญทำทานใจบาตรให้เพื่อกูลหนุนส่งซึ่งอันและกันพระสงฆ์ก็สอนธรรมะให้ให้มี จิตละความชั่วทำความดีให้จิตบริสุทธิ์พระสองฆ์ก็เป็นผู้นำเป็นเนื้อนาบุญเป็นแบบฉบับเป็นแนวหน้านำพากันไปหมู่สงฆ์เมื่อปฏิบัติชอบตามหลักทำไม้ไหนทำลายความโลภ ค, ความโกรธความหลงลงได้เลยถือการบรรพจรถือการบวชนี้เป็นอุบาย ไม่ต้องทามาหากินอนันใดชาวบ้านคูรรับผิดชอบแล้วก็พยายามที่จะไปสั่งสอนเขาให้เขาลู้ตามจากคนหนึ่งเป็นสองคนสามคนย้ายออกไปให้มีแต่คนดีเป็นงานของหมู่สงเป็นงานของวัสงเช่นเวลานี้วัดเราก็มี ผู้มีศรัทธาถือบวชลางานลาการมาบวชพักเรียนจบแล้วทางานแล้วลาออกมาปฏิบัติได้นิสัยมหัศนิสัยตามธรรมวินยัยก็ได้นิสัยเอาไปแม้นความโลภความโกรธความหลงไม่หมด จางขายไปแต่ว่าก็มีทิศทางรู้ไม่รู้อำนาจของความโลภของโกรธของหลงก็ประ โ, โ, โ, โยชน์ในสังคมไปใช้ชีวิตต่อสังคมไปเป็นผู้นำสังคมสืบต่อไปวิธีบวชของเราจะห้าพรรษาแล้วก็ลดน้ำให้สงน้ำให้หรือว่าเจ้าหัวชา แค่หัวชาแล้วถ้าสิอออกไปก็เรียกประเดงประเดงนี้ถ้าเสดตอนห้าพรรษาแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าชาวบ้านเรีอกประเดงนนู่นประเดงนี้เป็นผู้นำทางศาสนาก็นำได้เพราะได้เรียนรู้ตามแบบฉบับนำผ่านทางที่ดีถ้าได้ 10, สิบพรรษาก็ลดสงน้าอีกทีหนึง่งเปลี่ยนผ้าอีก เรียกว่าอาจารย์แล้วป่ะเป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจาริยะบุคคลแล้วถ้าเสื่ออกไปเขาเรียกว่าอาจารย์พ่ออาจารย์นั่นพ่ออาจารย์นี้ก็ได้เป็นผู้นําของชุมชนก็นํากันไปสู่ทางดีผูน้นําความดีเอานิสัยจากการบวชเรียนเนี่ยนำพาไปปฏิเนิสัยไป อันนี้จึงเป็นหน้าที่ของกันและกันพระสงฆ์ผู้ที่เสียสละแล้วออกบวชจากเดือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเลีนแล้วเขาอยู่ไปเพื่อทําหน้าที่ให้ลึกซึ้งให้เยี่ยงยอดทุ่มเทลงไปจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสด า, ามพระสีคาคามีพระนาคาคามีเป็นพระหันตามระดับของการฝึกตัวเอง มีอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ฝึกขัดดีปฏิบัติดีเปิดปิดตรงปฏิบัติออกจากทุกจนไม่มีทุกมีอยู่มีทรรมิไหนมีมักขวิธีการดำเนินไปตามทรรม่ไหนก็อยู่โดยชอบเมื่อเราอยู่โดยชอบตามทรรมิไหนแล้วโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพัฒน์เลยยังมีอยู่ คือผู้ไกลาจากข้าศึกผู้ไกลาจากกิเลสไม่ทำบาปทำชั่วแล้วก็ช่วยคนอื่นไม่ทำบาปช่วยคนอื่นไม่ทำความชั่วช่วยคนอื่นให้ทำกีดให้บริสุทธิ์เป็นงานของพวกเราจอกพระพุทธเจ้าของวเราที่มาเผยแพ่ส่งพระสงฆ์ไมาโทษพระอ ะ, อะไระที่มาเผยแพร่ในเมืองไทยเราออกมาข้ามน้ำข้ามทะเลมา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเจ้าขุนรามคำแหงก่ออาราธนานนมนต์ไปอยู่กรุงสุโขทัยก็เผยแพร่ก็เป็นที่ยอมรับของชาติบ้านเมืองเอาเป็นศาสนาประจำชาติสร้างวัดสร้างวาจนเป็นรูปแบบต่างๆตามวัตถุที่เราได้ศึกษาด้พวกเห็นอย่างพระพุทธ ร, รูกอยู่เนี่ย ที่เรากล่าวไ้ก็เป็นปางปางงานวิชัยอันหนึ่งก็เป็นมานวิชัยสมัยสมัยหล น, หนสมัย อ, อะไรน อ, อีกบางหนึ่งก็สมัยสุขโขทยัยสองปางอันหนึ่งก่อนอันหนึ่งหลังก็แสดงถึงความงดงามทางวียาวัตต่างๆ เราเห็นแล้วก็สงบอเห็นพระเห็นเจ้าก็สงบบางทีสมัยนั้นไม่มีตำรับตำล่าไม่มีหนังสือไม่มีกระดาษไม่มีสีเขียนหนังสือมีแต่ใบลานจานใบลานเป็นภาษาขอมบ้างเป็นภาษาลาวบ้างภาษาไทยบ้างส่วนบ้านภาคอีสานเนี่ยจะเรียนภาษาลาว แต่ไม่ร้องพ่อบวดเป็นเอนก็เรียนภาษาลาวเทศกวเทศภาษาล า, อาลวอ่านกอ่านหนังสือลาวต่อมาจะมาเรียนภาษาไทยอันนี้ก็เลยเผยแพร่รด้วยการหล่อพระแขกกันหน้าพระเป็นอย่างนี้ใจร้ายก็เป็นผีใจดีเป็นพระอย่างนี้เวลาพระถือไว้ ให้ไว้หัวใจแขนไว้ถ้ามันจะโกรจะทำชั่วให้คิดเห็นพระอยู่ตรงหัวใจเราคนทั้งหลายก็ถือพระกันพอดีเราก็มาแจกแขนให้ลูกหญิงลูกชายเราไมา่ทำชั่วนะนี่พระในคอแล้วไม่ด่ากันไม่ทะเลาะ ก, กันนะใจดีนะถ้าทำชั่วมันเป็นบาปนี้พระแล้วก็ถือกันแบบนี้อรันาตน์ไตที่เป็นวัตถุ นองคนแต่ว่าเอามาละความชั่วออกมาทำความดีไม่ใช่เอาพระไปป้องกันยิงไม่แหงแทงไม่เข้าอันนั้นไม่ใช่ใพระเพื่อทำความดีไม่ใช่ไปปันกันมีดกันปืนกันผีกันสารกันมีดกันเนป็นต้อง ทำให้เขาไม่เคืองไม่ดุไม่ด่าไม่ฆ่าไม่ตีจนเขาไม่กล้าฆ่าเพราะเรามีพระในใจคนดีไม่ถูกฆ่าเราจึงมีพระตะไตแบบนี้ช่วยกันพระสงฆ์ก็อยู่ใกล้ชาวบ้านไม่ทิ้งชาวบ้านชาวบ้านก็อยู่ใกล้กับวัดประเทศไทยมีบ้านสาม0มืนกว่าสามหมืนกว่าบ้านเลยนะใช่ไหม ก็มีพระมีวัดถึงส 0,000 ืก000ว่าวัดที่เป็นวัดป่าเข้าพันกว่าวัดทีนวัดบ้านอีกสอง0 0ื่นกว่าวัดก็มีทั่วประเทศมีทุกวัดทุกบ้านที่มีวัดที่มีบ้า น, านสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกันทำควาดีทั้งนักบวชทั้งคารวะญาติยาโยมก็มีวิธีเนี่ยมีวันพระวันศีนญาติโยมก็มาสมทานศีน ออกจากบ้านจากเดือนมาอยู่วัดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ทำความดีให้มันเป็นนิสัยผู้มีโอกาสก็มาอยู่ไปจะมาสาสานเดือนมีวัดปฏิบัติอธิษฐานใจละความชั่วทำความดีจนทำได้จนทาได้เคอยอดเคยทนเคยทุกข์เคยยาก ไม่เหมือนเป็นครับว่าเจ้าโจมก็อดขั้นอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสทำให้กิเลสเนี่ยร้อนถูกเผาไม่ไปไม่ไม่มีอำนาจถ้าเราฝึกหัดตามทมให้ไยเช่นนะักวดอจากนหอดทนก็อดทนลองมีพระทม ใ, ให้ไยช่วยทมวหนัยบางข้อก็ยกเว้นพิสูจเป็นไข้ พิสูจไม่เป็นไข้ปฏิวัติได้ต่างกันพิสูเป็นไข้ปฏิวัติบางอย่างอนุญาตให้เช่นม้วนเชื้ในน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะม่วนลงในของเขียวหรือเพาะของเขียวอาจจะเอาโยกอายาอะไรต่งางๆมาต้ไมไหมกินไปสอนนางพิจณีถึงที่อยู่พิสูจป่วย ให้ถือว่าเป็นอาวัตถ้าไม่เป่วยไม่ได้ต้องอาวัตแล้วถ้าไม่ป่วยถึงไปทําบางอย่างก็ต้องอาวัตไเพราะฉะนั้นจึงมีระนียะกิจต่างกันกันกบผู้ปกติเยาปกตะภิกขุเป็นผู้ปกติถ้าภิกษุผู้ต้องอาวัตสังหารเศษก็ต้องปริวาติอยู่ในมานัตขอมานัตขึ้นมานัต ยังไม่เป็นพระต้องสวดอภานก ร, รมนีม่ยมนพระหยิบเอ็ดลูกมาสวดอภากรกัมรับเธอเป็นปกตะพิกขุเป็นภิกษุปกติแล้วอภากรก้มต้องบัดปราชิก็ขาดจากคงมเป็นพิกษุเหมือนตัดคอขาดไปแล้วจะเป็นชีวิตชีวาแล้บวดไม่ได้ในชาตินี้มั้นกับรังโทษถูกตัดถินผ่านชีวิต ถ้าห่างกางก็เป็นสังขาเสียดจางเบาก็ที่ขี่ไปตีไปตีครับสองไปเทซีเสยเคลียด์เจ็ดห้าในปาติโมอันนี้เป็นอย่างเบาเบาสแสดงปงอาบัตอย่างวันนี้วันปาติโมเราก็ปงอาบัตกันเพื่อตกเหนือตกใต้เอาไว้ผมไม่เคยไม่ไมด้ดไปลงไปโมคผมก็ปงอยู่ผมก็ลู้ ทำไว้ไหนจำได้ไม่เหลือนไม่ลืมสอนตัวเองรลวางตัวเองถ้าจะป้องก็ว่าอะไรอะไรที่หลายๆอยา่างอาจจะขัดเคืองต่อหมูสงผมก็ว่าในใจจะพยายามทำพวกเราก็เข้าใจไม่ดื้อดึงไม่เอ า, เาใจใจไม่ดื้อไม่เอ า, เาใจใจตออ่อเดิน รับสารภาพถ้าอะไรผิดอะไรถูกก็เพียรพยายามเรียกว่าองอัปัติแสดงอัปัติถ้าว่าเป็นภาษาบาลีก็สัปพตาอาปัปปจิโยโลเจมิสัปพต า, าปัปจิโรเจมิสัพพตา อ, าป อ, อาปกกัป ป, าาปิโยอัปปตาดานาโตุกายุอปัจจิงตัมโมหิปเทเจมิข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่งามรลายาย อ, ะ อ, ะอยะายอาอาจจะปิดหูปิดตาท่านบ้างอาจารย์ผู้องค์แก่ก็บอกปจิวโสตปติโยคุณรู้หรือคุณเห็นความไม่ดีของคุณหรือเห็นครับคิดได้บ้างคิดไม่ได้บ้างไอจิ also, วโซสังเวชิเธออย่ามำอีกต่อไปนะอย่าไปคิดอีกอย่าไปพูดอย่าไปทำอีก อามปัเดภาษามาชุตุปันเดสาาับริสามีสาชาาุุปัเดสัริสามินาผวังกฤตสามินในงัาานในงกินแต่ยสานีต่อไปจะไม่ทาอีกแล้วแกรังเกียจผมเลย <c oughs> น, นี่ว่าดีแลวเหมกันนะดีว่พี่พ่เปี่ยมยากเกียจเป็นวันเน้อพิษแล้วครับทำดีแต่อยู่พิษเป็นคู่เบื่อเราอยาทะเลาะกันจนแตกหัก ซ่องแซมกันดูแลกันช่วยเหลือกันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนคนเราต้องการช่วยกันอย่างนี้ไม่ช่องการหลักล้างกันถ้าคนนี้เป็นเงนชั่วจะไปเกลียดชียหน้าเขาว่าเขาเป็นเงนชั่วเกลียดความไม่ดีความโกรธความโลภความหลงที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเขาไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาเขาจึงทำอย่างนั้น ทำยังไงเขาจึงอยู่งรู้เนหาวิธีช่วยบอกช่วยจ้าช่วยพูดช่วยสอนเขาอันนี้ดีกว่าที่จะไปโกรธไปเกลิงกันถ้าเราทําอะไรที่มันคนละมุมมันไม่ใช่เอาเป็ น, นันเดียวกันมาร่วมกันร่วมกันคิดร่วมกันอ่านไปทิศ ท, ทางเดียวกันทุกคนแล้วความช่วยทําวันดีทุกคนมีความผิดเหยียดสุขรักทุกเหมือนกันหมด แล้วก็ช่วยกันผู้ใดกล่าวขี้โทษตักเตือนเราผู้นั่นเป็นผู้ชี้ของชอปให้เราเราควรครบบุคคลที่เป็นเช่นนั้นเมื่อเราครบก บ, บคนที่เป็นเช่นนั่นอยู่ย่อมมีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีเลวแต่ใครตักเตือนเราเข่งที่สุดในโลกนี่นคือพ่อแม่ครูาอาจารย์ พี่น้องกันจยกโกอยากเตือนกันให้ว่าเก่าแต่กเกินกันได้บางทีก็บอกกันดูพ่อกับเมียบอกกันว่าพอทยอยชมเบิ้งเบิ้งผมเด้อแม่พ่อเด้อไอเทียมจะหายยงมถือสากันเด้อมันเหมยบอกกันเถอะบอกกันดีดีไม่ว่นเด้อไอแย่มอชาอะไรคอยเหมยแข่แต่กินเราเนาะ บอกกันบ่นบ่นจีพยาทำความาาดีแล้วเกิดดีใจถ้าบอกกันอย่างนี้นะภาวนากันอย่างนี้บอกกันอย่างนี้ถ้าเจ้าบอกใครใครจะโมโกรดใคอจะถือไว้นั่งไปปฏิวัติใจ บ, บ้างบมได้บ้างโมโกรดกันเนี่่าถ้าเตือนกันว่าก้าวต่างๆเรียกว่าปะปารณาต่อกันควัที่จะมีในครอบครัวปัญญาสามีเมื่เมธ พี่น้องกันเพราะนั้นหลวงพ่อเคยพูดกับน้องน้องกับพี่แต่ไมแม่ตายใหม่ใหม่เป็นประจบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแม่ตายไปนะโอ้ยตอนนี้ไปเราจะไม่มีแม่แล้วแต่ก่อนเราขึ้นมาบ้านเห็นแม่นั่งห้องออ ก, กันขอนอยู่ยุ่ยใหญ่ต่อไปนี้เราจะไม่เห็นแม่แล้วทำยังไงก็เลยปรึกษากันเดี๋ยวนี้แม่เราไม่มีแล้วนะ เราจะห้นห่างจากกันให้อยู่ใกล้ๆกันดูแลกันใกล้คิดกันก่านแต่ก่อนแต่ก่อนเราไม่แม่เราไม่ใกล้คิดกันก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีแม่ต้องดูแลกันสุขทุกข์ดูแลกันอย่าจะเลาะวิวาดกันนะคารบนับถือกันนะแม่เราไม่มีเดี๋ยวเขาจะว่าพ่อแม่ตายไปขบหัวกันจีนเขาจะว่าเราอะ แตกหักสารพัดสรเพอยากให้มีแบบนั้นดำรงวงศ์ตระกูลมูนี่แหละเอาไปใช้เอาไปทำเอาไปบอกกันเอาไปทำให้ดูไม่ใช่อยู่คนเดียวดีคนเดียวมันไม่ได้ในโลกนี้เราจะดีคนเดียวอยู่ไม่ได้หรอกต้องช่วยกันดีจะช่วยกันดียังเราไม่เคยตัดไม้ตอลายป่าเราก็ต้องช่วยปลูกป่า ไม่ใช่ให้คนที่ตัดป่าไปปลูกมันก็ไปไดนะ้เราต้องช่วยกันปลูกอย่างเมื่อวานเราก็ช่วยกันปลูกป่าเขาก็อยู่กรุงเทพบ้านเขาอยู่หลายจังหวัดอยู่พิศโลกลร้อยหมวเมืองมาปลูกป่ามาร่วมกันทำความดีมาทำบุญด้วยให้สิ่ให้ทานอะไรต่างๆช่วยกัน เราก็เราก็อยู่ได้เพราะคนดีอย่างนียในโลกเนี่ยถ้ามีแต่คนชั่วเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เดือดร้อนกันเดือดร้อนกันเราจึงช่วยกันดีอย่าแต่ใจยแยกกันอย่าทิ้งกันเป็นวันใหม่เนี่ยอย่าไปทิ้งกันเลยช่วยกันใครไม่ดีน่ะยิ่งสงสารเขาเหมือนนิกายเสจนเขาสอนกันมี พระองค์หนึ่งพระรูปหนึ่งชอบขโมยชอบขโมยของหมูเล็กๆน้อยๆแต่มูก็จับได้ไปฟ้องอาจารย์อาจารย์มันลักอันนี้ผมลักอันนี้นั้นผมอาจารย์เออราจสอนเขาอาจารย์ก็เอามาสอนอา้ามันยังลัก อ, กอยู่งูสงทั้งหลายก็มาฟ้องอาจารย์นี่ ที่สองเรอาจารย์เนี่ไม่เลิกหรอกขอให้โอกาสที่สามขั้งถ้ามันลักอเองออกมาเตือนเอา้าขั้นที่สามมีรักเองลูกศิษย์ตั้งหลายก็โกรธอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยไม่เอาเกียร์กำจังจะหนีออกจากสำนักไปเกียดอาจารย์และเกียดคนชี้กรโมอยอาจารย์ก็ว่าอะไรนะพ่อเพียงอาจารย์ว่าย่าง อาจารย์บอกว่ า, วาเออไปซะพากันไปพวกคุณเป็นพระดีแล้วแต่พระองค์นี้เขาชั่วให้เขาอยู่กับเราจะก่อนพวกเธอดีพระเหมือนกันเลยอู้กับใจใหม่พอได้ยินอาจารย์พูดจย่างนีอู้อาจารย์เมตตาขนาะที่ช่วยเหลือคนจริงๆนะพระใชษฐ์กำเนิดส่ ง, งสอนที่สอนเขาให้เขาอยู่กับเราเราจะสอนเขาพวกคุณดีแล้ว ไปที่ไหนก็เป็นคนดีแหละไปได้เลยเนีพราะที่สุลูกศิษย์บูราอาจารย์ไม่ไปเลยเกมาช่วยเผาโอ้เนี่ยเผานี่เป็นคนดีตันดีเลยเห็นประชุมกันเนี่ยเผนีน่โอ้ยสำนึกได้วัดโุโอ้คนรำไงอาจารย์เป็นปันนี่เราโอ้ต่อไปเราเชื่ออาจารย์เชื่อดีที่สุดเลยต่อไปนี่เพราะฉนั้ น, น, นเรานี่ยมองกันในแย่ดีๆเอาไว้เขาไม่ดี รอได้เอา้าพพุ่งนี่คงจะดีพุ่งนี่เขาไม่ดีเอา้าเดือนหน้าคงจะดีเดือนหน้าขเนนาขาไม่ดีโอ้ปีหน้าคงจะดีปีหน้าเขายังไม่ดีเออชาติหน้าเขายังจะดีเอาไม่เอาเพี่ชาติหน้ายังเขาจะดียังไม่เกียนเลยจชาติหน้าคงจะดีแล้ะมองอย่างนี้ดีนะ เพรานั่นอะไรที่เรามองกันคิดกว้างไกลเต็มไปด้วยเมตตากุณาออกหน้าออกตาแทนที่เราจะลุกอำนาจข่มข่มโกดข่มโลกขลกนะ่มหลงหนาให้มีเมตตากุณากลับมาแทนชีวิตจิตใจของเราเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราเมตตากุณานี้จะให้มีแต่โทพระจริตโทสัจริตโมหจริต สําคัญมั่นหมายว่าเลิศกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราเราดีกว่าเขาเขาชั่วกว่าเราเราเสมอเขาเขาเสมอเราเราเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเราเราดีกว่าเขาเราเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเราเป็นมาณทิฏฐิอันหนักนกันเพราะนั้นจะมองกันให้เสมอภาพน่าสงสารกันไม่ควรที่จะเบียดเบียนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชีวิตที่ตัดสินแล้ว ตัดชิ้นยังไงเลยายเพียรเพชรขาดพิพากษา <c oughs> อยู่นี่ก็มีผู้พิพากษา <c oughs> ตัดชิ้นแล้วหรอตัดชิ้นประหันชีวิตแล้วหร <c oughs> องั้นหมอพอเพี่มต้องตายแน่นอนเกิดมาแล้วเอาความตายมาด้วยแน่นอนที่สุดเราเน่ก็ต้องตายแน่นอนเราจะไปอิบหายเปี่ยนกันทามมาช่วยกระเพือเบิตากูนช่วยกันนะ มนุษย์ทุกคนน่าสงสารน่าสงสารน่าสงสารขู่ไก่ไงวะละ่ะฮะไก่มันมีฝนตกมันนอนอยู่ทั้งตัวใหม่บวเปียกเลยมันอาศัยขนของมันนะคนเรานี่โอ้ยสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่มีผ้าหม่มมีเครื่องนุ่งไก่นอนทั้งคอนนะ่ะฝนตกลงไปมันเทตโตน้ำไหลลื่ลลลนๆเลยมาบัวเปียกเลยแล้วก็ตอนป่วย ยังไม่แข็งแรงมานั่งอยู่หน้าต่างกติให้เาไก่ขึ้นก่อนดูมันโอ้ยสัตว์เลยเพื่อนเราเด้ยนะทุกคนก็มีชีวิตชีวาเอาตัวรอดเนาะเหมือนกันนะเรานะรู้จักกินรู้จักถ่ายรู้จักหลบภัยรู้จักรักรู้จักโกรกกันไล่ตีกันแลกกันก็มีเวลาประนอดเนี่ยขึ้นนอนไก่ ตัวแม่มันขึ้นตายไม่ลรอดแต่ลูกมันล้องเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บแม่มก็เรียกอยู่บ้นยนไม่รอดแม่บินขึ้นอัเนี่ยลูกมันก็มองเนี่ยพอลูกมันมองนี่ยมันไม่เห็นมันจะบินขึ้นเหมือนแม่เลยมันก็ไปวางแผนหนอนพอเพิมวางแผนเสร็จปุ้นอยู่หนโต้นไม้เตีย้ยววางแผ่นไปไต่มาไต่มาไ ต, ามาตามา่มาหอดแม่แม่อยู่ในโอ่งแผลเลยโอ้โถก่หน่อยมันก็มีปัญญาปนิดตัว บ้างแขนเป็นตัวเผื่อยตัวเจ้าของโบขี่เบะแยะงอนโมลองขอความช่วยเหลืออย่างช่วยเจ้าของคือรู้จักซอยช่วยเหลือตัวเองให้ไม่มีโทษมีไปทำอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือเอาตัวเองไวง้ก่อนแม้แต่เราพบปิดพบเพื่อนพบกับตัวเราก่อนถ้าเราพบกับตัวเราก่อนแล้วมีเมตตากาุณาตั้งหลัก ม, มีสติชำมัญญาตั้งไว้คนที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่เขามันอยู่กับเราบ้านอยู่กับเราเราคบเราก่อนบัณฑิตในตัวเรามีสติมีสำมัญญะมองโดยถูกต้องคนดีพูดเราก็รู้คนชั่วพูดเขาก็เราก็รู้ถ้าเขาพูดไม่ดีแล้วก็อย่าไปติดสาหาเรื่อง ถ้ า, าพูดดีเขาจะไปหลงไหลเพลิดเพลิ น, น<ๆ>ก็ดูตัวเราอีกทั้งดีทั้งไม่ดีเราดูตัวเราเราดูตัวเราเขายกย่องเราเขาดูตัวเราเขาชนะเขาดินทาเราเราก็ดูตัวเราดูตัวเราจนขอบคุณเขาได้ถ้าเขาด่าเราอ่ะหมาจะทำไงแม่เพี้ยนนะหมา บ่อะไรปรรัดทุมามาว่ากูเป็นหมาเอถ้ามองธรรมดาเนี่ยถ้ามองกันแบบสติจำเปัญญะเนี่เขาว่าหมามันบางกันจังไดเ น, หนาะคนหนึ่คือผมมีหางนาะคือผมมีขาสีขาคือวี่สองขาอย่นี้งั้นพอพอทยอยงอง ค, าคําบางคนจะของกูมีหางว่าเป็นหมาแต่แท้ก คนทัวเนี่ยเขาจังด่าหยกไอ้หมานี่ก็โอ้ยเขาไม่รู้หรอกไม่ดูจริงคนค น, นี้เขามืดบอดอะไรนาะมองคนเป็นหมาไปนะอุย้ยคนอย่างนี้ไม่ถือสาหาเรื่องมาแล้วไปนะยาไปโกรธไปเครืองเมื่อใดเขาใจดีเขาจะไปเรียกว่าหมาเขาเรียกแม่เขาเรียกพ่อ เขาเรียกเทวดาได้เมียเป็นเทวดาได้ ผ, ผัวเป็นเทวดาได้ลูกเป็นเทวดาได้พ่อได้แม่เป็นเทวดาได้เพื่อนเป็นเทวดาเพราะทำความดีมีเหมือนกันในโลกเนี่ยเราต้องมองกันดีๆการฝึกตามพระธรรมในไหนตามคำสอนพุทธเจ้าน่ยเอาไปฝึกหัดตัวเองได้ทุกกรณีจะเป็น อะไรก็ได้เป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นเต้าเป็นอะไรก็ได้เป็นนักบวชเป็นครบวาดได้ทั้งนั้นแหละไม่เป็นของสมบัติของใครการปฏิบัติธรรมนะยิ่งเราเวลานี่เรานักบวชแล้วอยู่วันแล้วร้อยเปอรเซ็นเป็นโอกาสที่เราจะต้องทำในการทำความดีให้มากๆาวิธีทำความดีล้วก็มีอยู่ไม่จนเลย มันอเราไม่จนได้เลยเราได้รับความดุจฌาบพระพุทธเจ้าในหลักของการปฏิบัติในหลักของการภานานะมีแล้วการเจริญสติมีกายานวั จ, จนามีสติเห็นกายนะมันมีอยู่มีสติเห็นลงไปอย่าให้กายมันหลอกเราเวทนาที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์กับกายกับใจที่มันสุขบนทุกข์ก็อย่าให้มันหลอกเราอีกมันเป็นอาการนั้นหนึ่ง ที่เป็นเป็นจิตที่ไม่คิดไปโ น, น, น, น่นไปนี้เคยมีสุขผู้คลุมคิดเคยมีทุกข์ผคมคิดก็อยากให้มันหลอกอีกเคยมีทำเป็นความชิดแล้วฉลาดเป็นความโง่ความโกรธเป็นความดีใจชื่นใจสงบเราเป็นก็อยากให้มันหลอกอีกรู้มันเท่านั้นจนเห็นจริงในสี่อย่างนี้จนรู้แจ้ง <c oughs> กับจริงเหล่านี้ ม, มีสติมีจัมญะมีเครื่องเพีย่ยนเครื่องเผาเฉียวนี่ผ่านได้เห้นเรามีความถูกต้องผ่านด่านได้แต่เพื่อแต่เือไปอย่างรถหลงขอ้อคันเขาชื่อโยอมชื่อให้นะ่ะตำรวจไม่ค่อยตรวจว่ารถไปไม่เป็นรถของคนมีเจตตังค์ <c oughs> เขาไม่ตรวจ <c oughs> เขาจะตรวจรถไป็ครับรถไรไป็นงนั่นนะ่ะอันรถนี่ตำรวดเบิกไปไปเฮ้ยมานรถมันดี เขาไม่ตรวจเพราะนั่นนี่เขาก็ดูอะไรที่มันถ้าเราเป็นคนดีได้ใจมองงานมองไม่ได้เราต้องเป็นเราต้องงองลึกซึ่งอ่าเรามีความถูกต้องเรามีกฎระเบียบของเราขับรถตามกฎจราจรมีใบขับขี่มีรถทะเบียนมีประกันพรบอาเรียบร้อยดูดูรถดูลา น้ำมันเครื่องน้ำมันเบกน้ำน้ำหม้อน้ำเวลาเดินทางตรวจดูเรียบร้อยมีสติมีสัมญัเวลานั่งรถขับรถกละันระวังล้ยดีเลยการมีสติสัมผัสนสะัญญาะเอาไปประกอบกับการงานอาชีพทำอะไรก็ดีจากนั้นนะของดีปันนี้จะให้ไมมไปอยู่ที่ไหนต้องมาอยู่กับเรา มาอยู่กับกายมาอยู่กับวาจามาอยู่กับใจเอากายไปต่อเอาวาจาไปต่อเอาใจไปต่อเอาใั้มันได้มันต่อติดนะกายเราเนี่ยไปต่อความชั่วก็ได้ไปต่อความดีก็ได้เราจึงควรหัดต่อความดีหัดรู้อย่างนี้แหละมาต่อรู้ซึกรู้ซึกจิตสี่รู้สร้างจังหวะเนี่ยต่อเอาต่อเอาต่อต่อไปต่อมันมันได้จริงงมันรู้จริงจรงะ มันหลงนี่ไม่มีโอกาสเลยมันหลงนะเรียกว่าอุชชงกายยังไปบุคคังจริงอุปัตเปตตวาพระขีณาสกผู้มีสติเป็นหน้าโลกเป็นสติเป็นไมไนเรียกว่าขีณาสกขีณาสกคือพระอรหันต์เองผู้มีสติเป็นหน้าโลกมีสติเป็นไม่ไน อุจวงกายยังเ็นริมขงังผู้มีสติเป็นอะรรอบนี่เป็นคาถาโดยรุ่นล้วนคาถาเป็นอัตคาถาเป็นคาถาเหมือนพระขียนอาศกผู้มีสติเป็นวินัยเป็นอนุเดหิกาให้มันเข้าใจพระขียนอาศกผู้มีสติเป็นวินหนถ้ามีสติเป็นหน้ารอบนี่ไม่เข้าใจ ท่านจึงอธิบายเบกเหมือนไปขี่นาศกผู้มีสติปไปมีไนอธิบายเขาเบกให้คนเข้าใจนี่อาณอัตคาถาคูวาจานของเราบันพหลุทของเราเพื่อบันทึกไว้เพื่อมาสอนเราเพื่อเราโดยตรงเพื่อทำไปไหนที่เป็นกานสอนไม่ใช่เพื่อใครที่ไหนไม่ไม่ใช่พอกใครเป็นใครเป็นสมบัติของเราเอาไว้ น้อมมาใจเราน้อมเราเข้าไปความดีเห่าเนี้มันอย่าให้มันจนเลยเรามีสติไม่เจ้ามิเชะไม่เมตตากุณาไม่คกรธไม่อภัยมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความอดท่านมีความอดทนมีความเสียสละมีความเมตตากุณาต่อทุกสรรพสิ่งให้มันอยู่ในคน เร้วมก็สร้างสันติสุขสันติภาพได้ในโลกนี้แคบมือเดียวมัน่นใจจริงๆในคำสอนนี้จากตะโกนเรียกร้องให้คนรู้จักเราก็ตะโกนไม่ได้ไม่เหมือนาทางโลกเขาเขายึดเขายึดขึ้นอากาศเขาชื่อท้องฟ้าชื่อดาวเทียมกันหมดแล้วเราไม่มีอะไรเลยตนี้หมดเนื้อหมดตัว ต่อไปวัดนี่ก็เป็นของบริษัทเอกชนเรามาจัดพระอยู่ไม่ได้ไม่มีทาไม่ไหนต้องมีบริษัทมาสร้างเจ็บเงินเจ็บทองเหมือนหลวงพ่อไปเทศที่ไปไปเอาตีจารัดนะพระไม่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าผู้ที่เป็นใหญ่เป็นตัวศพปาจิกาเวลาหลวงพ่อไปเทศเขาจะมีกลองกระดาษ วางไว้เวลาเขามานั่งเข้ามานั่งเขาดูหน้าพวเราดูหน้าเขาดูหน้าของพ่อเนี่ยเขาดูหน้าเราพ่อเขาดูหน้าเราก็ดูที่สถานที่พ่อก็ดูหน้าเราดูสถานที่เ ข, ih, ขาก็ควักดอนล่ า, าทิ่งใส่กล่องทุกคนก่อนนั่งต้องเอาดอนล่าใส่กล่องแล้วค่อยนั่งได้ถ้าไม่เอาดอนล่าใส่กล่องเขาไม่มีจิตตั้ง เพราะเป็นมเนแยมของเขาหลวงพ่อก <laughs> ็เคยบอกเขาว่าโอ้หลวงพ่อนี่มาเนี่ยเหมือนกับมาเาเงินหนาสองแต่เงินที่เขาเจ็บทีละคั่งเขาไม่ให้หลวงพ่อเขาเจ็บเอาพราะเขาเสียค่าเครื่องบินให้เราได้ไหมสองแสนเนี่ยเขาเสียค่าเครื่องบินเนียเขาก็ได้ทุนเนี่ยพวกเนี่ยได้ทุนนะเราพ่อเท่ๆๆความมาความเกิดที่ไปที่ก็เนี่ยคนละ สี่ห้าดอนล่าคนเราสองดอนล่าแล้วแต่แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งดอนล่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าบาทสามสิบาทคนน้องที่นั่งฟังเทศนี่อันนี้ต่อไปไมันจะเป็นนั่นก็ไม่รู้แล้วนะอะเพราะว่าต้องมีค่าแล้วต่อไปรุ่นอะไรแต่รุ่นเรามันไม่รับเนาะ เราพ่อก็อยู่โชกุโตดิมีไม่ได้ในชาตินี้นะตอนเทศนาสั่งสอนให้มาพวกเราโกุโตเนี่ยขอให้มาทําไม่ทาทํำไม่ในขอให้เพื่อนภิกษุจาเนววาโจบวิกาจงมาสู่อาวาสของเราพระสงฆ์คิดจากนี้ชาวบ้านคิดจากนี้แม้ว่าพอเปี๊พอยกจงขอให้มาสู่วัดของเรา คิดจังนี่นะไม่ใช่หวงแตดีอาวาตไม่ใชนะ่เขาคิดต่อไปอีกว่ามาแล้วขอให้อยู่เป็นุขเป็นศพอย่าทะเลาะวิวาดกันเราคิดจากนี้ไม่ใช่คนนั่นมาแล้วดีคนนี้มาไม่ดีเกลียดคนนั้นรักคนนี้ไม่ใช่ทำเนื้อกันเราจะสอนกันเราจะพูดสูกันฟังอย่างน้อยก็ตอนเช้าตอนเย็นนะอันนี้ ทำไม่ในไปอย่างนี้ทุกคนให้สบายใจได้เลยมาที่นี่นะสุขด้วยกันทุกด้วยกันนะสิ่งที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราคือปฏิบัติธรรมเรามุ่งหมายมุ่งอยู่กับการปฏิบัติถ้าใครนั่งยกมือสร้างจังหวะเต้นจังกรมสร้างตัวเองดูตัเองนี่เขาช่วยตัวเขาแล้วถ้าใครยังไม่ช่วยตัวแบบนี้อะ ก็คิดว่าเขายังประมาทอยู่ถ้าเขายกมือจ้างจะบหเดินยังกลมนหนเขาตื่นแล้วเขารู้แล้วเขารู้ผิดเขารู้ถูกเขารู้หลงเขารู้มันรู้เขาแค่ของเขาแล้วเขาแช่ของเขาเองเขาเปลี่ยนเขาเองเขารู้เองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติธรรมะนะกฎธรรมชาติหน้าที่ของธรรมชาติและธรรมชาติอย่างยิ่งคือ ปฏิบัติดีมันก็ดีปฏิบัติชั่วผู้ชั่วความดีของชั่วไม่มีคําถามมีคําตอบอยู่ ก, กับตัวเราแล้วจึงมาเถอะมาปฏิบัติมา เ, าเจริญสติเนี่ยอพอมีที่อยู่อาศัยก็เพื่อการนี้เพื่อภาวนานะเป็นางนั้นว่าเราเคยช่วยกันมีญาณเคยช่วยกันหลายแบบอยูอ่พยายามไปเทีเ่ยวลวงพ่อไปดูก็ตีตั้งไข่ เคยได้ยินแนยการตีตั้งไข่เพราะว่าตั้งไข่ฮค่จังไรตั้งไข่เอาไข่เอาไข่มาตั้งใส่ชามตั้งไข่อยู่ไหมไม่คิดตังอยู่เอาลายเอาลายปลายมันขึ้นเอาลายคนลึงเอ้ตั้งอยู่เลียนตั้งไข่เอามือนี่มๆจับไข่ไปตั้งให้มันตั้งเจ้ากอเยอะๆแล้วเข้าสารไปโรยลง ยอดไข่ไก่ที่มันแหลกให้เมตรเกลืสารค้างอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าเมตรถ้าใครมีมือนี่นี่ไม่แม่จะตั้งไข่ได้ไม่จะนี่ไหมฮะมือเราจะนิ่มดี <dropdown>. ies, ตอนัขาบอกกาติตั้งไข่จะไม่ให้ตั้งไข่อ บ, บ่นั้นตั้งไข่คือจิตใจเราดีตั้งหัดตั้งมันหลงว่างรู้อีกเนี่ยตั้งไข่อ ย, อย่างนี้นนะมันหลงไปรู้ใหม่ตั้งใหม่ มันหรืออะไรไปรูปใหม่ตั้งใหม่มันหลงโดยวิธีได้มันจะโกรธเปลี่ยนมันมาไปโกรธตั้งไข่แล้วมันจะทุกเปลี่ยนมันไม่ทุกตั้งไข่แล้วตั้งไข่เนี่ยไม่แช่อาไข่มาตั้งน <c> ะ <oughs> ถ้าตั้งได้มันก็อยู่ได้นะพอเปลี่ยนเนาะได้ยินบอได้ยินบออ๋อก็สมควรเจริญอ า, าจารย์ิกษอไหว้พระ